บัณฑิตจากแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสุดต่อไปพระภูมีพระภาคเจา้าผู้เป็นพระบรมศาสดาผู้หล่อทั้งหลายนั้นได้ชื่อว่าเป็นส ก, กะคือเป็นผู้องอาจอันเป็นคุณธรรมประการหนึ่งที่พระโบราณอาจารย์ นำมาเป็นแนวในการอถาธาิบายธรรมะเวลาการบูชาพระผู้มีพระภาคเก่าวที่ทรงแสดงไว้เป็นสองฝ่ายคือบูชาด้วยอามิตดและบูชาด้วยการปฏิบัติตามนั้นในเชิงของการปฏิบัติตามเป็นการปฏิบัติตามในส่วนพุทธจริยาซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวการแสดง ออกซึ่งธรรมะในชั้นนั้นๆและเป็นการปฏิบัติตามพระธรรมคาสั่งสอนของพระองค์ดังนั้นจะพบ ว, ว่าความเป็นในด้านต่างๆที่ตามพระพุทธศาสนาได้แสดงเอาไว้จึงมีสองระดับด้วยกันระดับแรกคือการเป็นโดยกําเนิดระดับที่สองเป็นการเป็นโดยธรรมะ การเป็นโดยกำเนิดนั้นหมายถึงการอุบัติบังเกิดในพบในชัดนั้นๆเช่นว่าเป็นเทวดาโดยกำเนิดเป็นพรหมโดยกำเนิดหรือเป็นเป ร, อ ร, ราาาตอสุรกายสัตว์ไรชานโดยกาเนิดแต่ในขณะเดียวกันท่านก็แสดงถึงความเป็นโดยธรรมซึ่งหมายความว่ารูปร่างกายของบุคคลเป็นใครก็คือเป็นคนนั้น แต่ว่าในด้านจิตใจมีความเปลี่ยนแปลงในทางสูงขึ้นก็ได้ในทางต่าลงก็ได้และถ้าหากว่าต่ำลงจากจุดของความเป็นมนุษย์สภาพจิตของบุคคลก็เปลี่ยนแปลงไปอาจจะเป็นสภาพจิตของสัตว์ดิเรกชานของสัตว์นรกเป็นต้นแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนสูงขึ้นก็กลายเป็นเทวดาโดยธรรมเป็นพรหมโดยธรรมแล้วก็มีความประณีตขึ้นไปได้เป็นชั้น ดังนั้นพระพุทธเจ้าในฐานะที่เป็นสักกะซึ่งแปลว่าผู้องค์อาจการอุปสีประมานพได้กราบทูลเรียกพระองค์ซึ่งเป็นพระนามที่ไม่ค่อยมีการเรียกขานกันข้อนี้พระโบราณอาจาได้อธิบายให้ความหมายไว้เป็นสมตอนด้วยกันตอนแรกคือทรงเป็นสักยะโดยพะชาัดคือเป็นสักยะสกุลโดยพิชาติ ประการที่สองเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมั่งคัง่งทรงอุดมด้วยทรัพย์อันเปรตที่เรียกกันว่าอริยทรัพย์ในทางโลกุต์ศาสนาแสดงทรัพย์ไว้เป็นหลายชั้นแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือโลกิยทรัพย์และโลกุตรรทรัพย์โลกิยทรัพย์คือทรัพย um ์สมบัติที่บุคคลจะต้องอาศัย สแสวงหามารักษาไวเพื่อเป็นปัจจัยในการดำรงชีวิตแต่เนื่องจากทรัพย์เหล่านั้นเป็นของโลกคนยังมีสิทธิใช้ความเพียรพยายามสแสวงหามาและบริโภคใช้สอยในขณะที่อยู่ในโลกแต่เมื่อจากโลกนี้ไปทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ต้องทิ้งไว้ในโลกทรัพย์ประเภทที่เป็นโลกุตระทรัพย์ คือทรัพย์ที่ทำให้บุคคลเหนือจากโลกขึ้นไปเป็นทรัพย์ประเภทที่ติดตัวไปได้โดยปริยายเบื้องต่าหรือนัยยะเบื้องต่าอาจจะหมายถึงคุณธรรมความดีทั้งหลายที่ติดตามบุคคลไปเมือนเงาที่ติดตามบุคคลไปในภบชาติต่างๆสร้างภพตกแต่งภพตกแต่งชาติของบุคคลเหล่านั้นให้ประณีตยิงย่งขึ้นไปและในขณะเดียวกัน ทราบเหล่านั้นยังทําให้บุคคลประเสริฐสูงสุดขึ้นโดยธรรมที่เรียกว่าเป็นอริยทรัพย์คือทรัพย์ของพระอริยะคือทรัพย์ของผู้ประเสริฐที่จึงเป็นการเพิ่มพูนคุณธรรมจากที่มีอยู่แล้วให้สูงขึ้นไปในจิตใจของบุคคลนั่นเองเป็นภาวนาไมายบุญคือบุญสเมเร็จ ด, ด้วยการเจริญภาวนาคือทม เพิ่มปูนธรรมะให้มีให้เป็นขึ้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นบังเกิดขึ้นก็จะทําหน้าที่ขัดเกลีจิตใจของบุคคลให้บาปอากุศลทุจริตซึ่งมีลักษณะจงกันข้ามกับองค์ธรรมเหล่านั้นมีความเจือจางบรรเทาลดความรุนแรงลงไปโดยลำดับทรัพเหล่านั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นอริยศัพย์ คือทรัพย์อันประเสริฐหรือทรัพย์ที่ทำผู้มีให้เป็นผู้ประเสริฐท่านเริ่มต้นด้วยศรัทธาถนังทรัพย์คือศรัทธาศรัทธานั้นได้แก่ความน้อมใจเชื่อในวัตถุในบุคคลที่ควรแก่การเชื่อถือในฐานะของพุทศชาสนิกระชนนั้น จากการศึกษาการประพฤติปฏิบัติและการได้รับผลที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาล้วนเริ่มต้นมาจากการเชื่อในพระคุณของพระพุทธเจ้าหรือในการศ ส, สรษา ข, ของพระพุทธเจ้าต่างว่าบุคคลขาดศรัทธาในจุดนี้ขาดความเชื่อมั่นในจุดนี้การศึกษาเรียนรู้ปฏิบัติธรรมะจนได้รับผลก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ ดา น, นองค์ประกอบที่สำคัญของศรัทธาจึงเพิ่มพูนและเจริญเติบโ ต, ตขึ้นในขณะเดียวกันก็กระจายตัวเองออกไปเป็นความศรัทธาเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจา้าในคุณของพระธรรมหนึ่งในคุณของพระสงฆ์หนึ่งในใจสิกขาคือหลักของศีลสมาธิปัญญาหนะ่ ซึ่งความเชื่อมั่นในลักษณะนี้แท้ที่จริงแล้วก็ต้องผ่านทั้งการศึกษาทั้งการปฏิบัติในการได้รับผลเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนการศึกษาที่เรียกว่าปริยัตนั้นเหมือนกับการเรียนรู้วิธีทําอาหารปฏิบัติก็เหมือนวิธีปรุงอาหารปฏิเวทก็คือการได้รับรสอร่อยของอาหารแบบนั้น เมื่อใจเมื่อลิ้นของบุคคลได้รับรสอาหารและรู้สึกว่าอร่อยก็จะพยายามทำอีกพยายามศึกษาอีกพยายามปรุงอีกแล้วก็รับประทานไปอีกจิตใจของบุคคลก็จะเชื่อมั่นในความอรเด็ดอร่อยของในความดีของอาหารเหล่านั้นชั้นใดเรื่องคุณของพระพุทธเจ้าประธรรมประสงค์และศีลสมาธิปัญญา ก็มีลักษณะอย่างนั้นจะต้องเดินมาถึงขั้นทั้งที่เป็นการศึกษาเรียนรู้ทั้งที่เป็นการปฏิบัติและเป็นการได้รับผลจากการสัมผัสคุณของพระพุทธเจ้าประธรรมประสงและจะโดยอาศัยการปฏิบัติตามหลักใจสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาความมั่นคงระดับนั้นท่านเรียกว่าเป็นสโสตปติยังค คือองค์กุณหรือคุณธรรมที่จะช่วยให้บุคคลบรรลุมรรผลเป็นพระยะบุคคลระดับโซดาบัตดังนั้นศรัทธาระดับที่เป็นทรัพย์อันประเสริฐจึงเริ่มต้นจากความเชื่อถือเชื่อและถือในคุณของพระพุทธเจ้าตามพระคุณบทที่สวดและสาทยายกัน พระคุณเหล่านี้สามารถทําได้หลายระดับระดับการศึกษาก็ให้ความรู้ความเข้าใจระดับการพิพจารณาโดยจะทราบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าระดับภาวนาที่เป็นพุทธานุสติก็ทําทใจกันตนให้สัมผัสคุณของพระพุทธเจ้าที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและในที่สุด โดยการศึกษาโดยการพินิจพิจารณาด้วยการบริกรรมหรือภาวนาก็จะทําให้จิตใจของบุคคลโน้มน้อมเข้าหาคุณของพระพุทธเจ้าพยายามเดินไปตามขนทางของระพุทธองค์หรือโดยเสด็จรอยบาทของระพุทธองค์เป็นศึกษาเรียนรู้เข้าใจว่าอรหังนั้นแป่นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้หักกมแพงทลางสาระจัก เป็นผู้ควรแก่การเคารพสักการะบูชาของบุคคลทั้งหลายถึงแม้ว่าจะไม่สามารถทำได้ในขั้นกองหักกรรมแห่งสังสารวัฏคือทำลายวิชาตันหาอุปาทานกรรมแต่ก็พยายามให้ห่างไกลจากกิเลสแมกกิเลสมีอยู่ภายในจิตใจก็มีสติระลึกรู้ทันต่ออารมณ์ที่บังเกิดขึ้นว่าจิตใจของตนในลักษณะนี้เป็นอะไร ประกอบด้วยกุศลหรือประกอบด้วยอกุศลเห็นว่าประกอบด้วยอกุศลก็พยายามบรรเทาแต่บรรเทาได้บ้างหรือไม่ได้บ้างก็เป็นเรื่องของความเพียรพยายามที่จะต้องใช่เพราะว่าไม่ไม่ว่าใครก็ตามเมื่อทวนกระแสะกิเลสขึ้นไปนั้นโอกาสที่จะไปพูดพลัดจริงๆแล้วจะมีได้น้อยหรือเกือบจะไม่มีเลย โดยแล้วแต่จะต้องอาศัยความเพียรพยายามด้วยกันทั้งนั้นหก ล, ล้มหกลุกไปพลั้งพลาดไปแต่ด้วยความเพียรที่ทรงใชก้กำวมาบักบั่นหมันเป็นนิดเป็นอาการที่ต่อเนื่องมีความบากบั่นหมันเป็นนิดซึ่งหมายความว่าความบากบั่นนั้นทําในลักษณะที่ต่อเนื่องกันไปเป็นการจกชวยโอกาสทุกโอกาสที่จะทําได้แม้อยู่ในอริยาบทอื่นและในสถานที่อื่น คือไม่ใช่ว่าจะต้องรอคอยตอนนั่งสมาธิทุกทีไปแต่ที่จริงสติสัมปชัญญะระลึกรู้เท่าทันอารมณ์สร้างผลเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีงามไม่เกิดขึ้นกับจิตใจของตัวนั้นไม่ได้อยู่ที่รูปแบบแต่อยู่ที่องค์ธรรมคือสติสัมปชัญญะและความเพลี่ยนพยายามที่บุคคลจะใช้ไปในกรณีนั้ น, น, นทำที่ไหนก็ได้โอกาสอะไรก็ได้ ระยาบทใดก็ได้ก็สำคัญว่าเมื่อทำไปแล้วธรรมะเพิ่มขึ้นกิเลสลดลงนั่นเป็นผลที่พึงประสงค์จากการศึกษาและการปฏิบัติธรรมะในทางพ ร, ระพุทธศาสนาศรัทธาที่มั่นคงในคุณของรูปรเจ้าพอถึงจุดหนึ่งมันก็จะคลายกิเลสลงไป ทำให้จิตใจของบุคคล น, นั้นห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากอารมณ์จะไม่ขัดเคืองในอารมณ์ซึ่งคนอื่นเขาขัดเคืองจะไม่หงุดหงิดงุ่นง่านวิตกกังวลเดือดร้อนในอารมณ์ที่บุคคลอื่นเขาหงุดหงิดเขางุนง่านเขาวิตกเดือดร้อนเพราะมีสติระลึกรู้ทันต่ออารมณ์เหล่านั้นธรรมะที่สำคัญในการปฏิบัติ จึงทรงเน้นไว้ในที่ทุกขังแล้วก็เน้นทุกหลักของการปฏิบัติคือสติสมัมปชัญญะและความเพียรังกล้าแล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามถ้ามีธรรมะทั้งสามองค์นี้อยู่ก็ช่วยให้ห่างไกลจากกิเลสได้เมื่อห่างไกลจากกิเลสไปโดยลาดับแล้วแม้กรรมของสังสารจักเองก็จะลดความรุนแรงลงไปและวิชาก็จะลดตัณหาก็จะลด อุปาทานก็จะลดเมื่อวิชาตานาุปาทานลดกรรมก็จะกลายเป็นสุจริตมากขึ้นสุจริตน้อยลงทีนี้ถ้าพวกนี้ลดลงไปอีกสุจริตก็เพิ่มขึ้นอีกสุจริตก็ลดลงอีกและในที่สุดบุคคลก็จะยืนหยัดมั่นคงอยู่ในจุดแห่งสุจริตธรรม สามารถที่จะอำนวยประโยชน์และความสุขทั้งในปัจจุบันและภายภาคหน้าให้ได้แต่ถ้าหากว่าถึงจุดที่สมบูรณ์ศรัทธาเองก็จะช่วยบุคคลให้ข้ามคนแม้แต่โอขะโคงน้ำคือกิเลสไปได้แต่ทั้งนี้ทางนั้นไม่ได้หมายความว่าอาศัยศรัทธาเพียงอย่างเดียวแต่ศรัทธาจะเป็นตัวนำ ใจิตใจของบุคคลให้ก้าวเดินไปสู่พัฒนาการในด้านใจิตใจและด้านพฤติกรรมของตเนเพราะนารยาทรั์ข้อต่อไปจึงส่งสดแสดงว่าสีทลัทนั้ทรัพย์คือสิทธิหมายถึงกุศลเจตนาที่บังเกิดขึ้นจากการพิจารณาเห็นโทษของการละเมิดสิทธิเห็นคุณของการมีสิทธิในลักษณะที่ต่อเนื่อง คือเห็นทั้งในขณะนั้นนั้นเห็นตั้งต่อเนื่องกันไปไเห็นผลที่ตนจะได้รับในภพชาติต่างๆตลอดตึงเห็นในเชิงที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยของมรรค น, นิพพานในอนาคตการคือจะไกลเท่าไร่ก็ตามแต่ถ้าพวกนี้เพิ่มขึ้นอนาคตนั้นก็ใกล้ามาหรือแทนที่จะไม่อาจกําหนดได้ก็พอจะกําหนดพอจะประมาณกันได้หรือบางครั้งบางคราวถ้าเกิดเพิ่มพูนในชาติปัจจุบันก็จะอาจจะรับผลกันในปัจจุบัน อาศินที่บุคคลศึกษาสมาทานดีแล้วไม่เรินก็งานอิสงก็ทรงแสดงไว้ว่าศีเลนโภกะสัมปทาบุคคลจะสมบูรณ์โดยโภคสมบัติกระพระิธิตึงก็หมายความว่าโภคในที่นี้แม้แต่โภคที่บุคคลประกอบการงานได้มาโดยอาศัยความสุจริตเป็นพื้นฐานทรัพย์ที่ได้มาในทางสุจริตนั้น มรัวในสภาพที่ท่านพูดกันว่าตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คือมักจะไม่สูญหายไปเพราะอันตรายจากภายนอกมึงจะเกิดขึ้นโดยหยาดเหงือ่อหรือความเพียรพยายามในทางสุจริตของตนแต่ว่าทรัพย์สมบัติบางอย่างที่เกิดมาในทางไม่สุจริตนั้นก็มีความเสื่อมมีความเปลี่ยนแปลงไปเร็วบางครั้งบางคราวตนเองก็รักขโมยมาจากคนอื่นก็โดนโดนคนอื่นขมายต่อไป คนนั้นก็อาจจะถูกคนอื่นเขโมยต่อไปด้วยแต่ว่าทรัพย์คือศีลหรือทรัพย์ที่เกิดจากศีลเป็นทรัพย์ที่ได้มาในทางสุจริตสุจริตก็จะคุ้มครองรักษาบุคคลตรงนั้นเอาไว้ผลที่เห็นได้ในปัจจุบันก็คือการยุติเวรัยการสงบระงับเวรไภจิตใจของบุคคลก็เยือกเย็นยไม่มีตกกังวลเดือดร้อนหวาดกลัวต่ออันตรายต่างๆ และอาการแสดงออกทางกายทางวจาก็เป็นปกติทางกายทางวจาซึ่งก็หมายความว่าจิตใจของบุคคลไม่ถูกครอบงําด้วยกิเลสประเภทที่รุนแรงเกินไปสามารถที่จะควบคุมอาการแสดงออกทางไตรทวารของตนให้เป็นไปในคันลองแห่งสุจริตธรรมได้และนั่นก็เป็นทราบอย่างแท้จริงเป็นทราบอันเป็นเสด็จที่ จรก็หลักไปไม่ได้ไม่สาธารณะทั่วไปกับบุคคลทั้งหลายามไฟมก็ไม่ได้นอกจากว่าบุคคลเหล่านั้นจะทําลายทรัพย์สมบัติเหล่านั้นด้วยตัวของตัวเองรทรศัพย์ที่ถือว่าเป็นทรัพย์อันเปรซ์ตอีกประการหนึ่งซึ่งมีอยู่ในองค์พระพุทธเจา้าและทรงสแสดงแก่พุทธบริษัททั้งหลายให้เพิ่มปูนในส่วนนี้ขึ้น นันเรียกว่าหิริทนางทรับคือฮิริได้แก่กุศลได้เจตนาที่บังเกิดขึ้นภายในใจของบุคคลทำใจให้เกิดความละอายความรังเกียจต่อบาปต่ออกุศลซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดขึ้นนั้นระดับหนึ่งก็เป็นเชื้อคือเป็นธาตุที่มีอยู่ภายใ น, ในใจิตใจของบุคคลเหล่านั้นแล้ว คนบางคนมีทัดแต่งความเป็นผู้ละอายต่อบาปแสดงให้ปรากฏแม้ในสมัยที่ยังเป็นเด็กถึงบุคคลรู้สึกว่าไร้เดียงสาแต่เด็กบางคนก็แสดงความมีเดียงสาให้ปรากฏโดยการละอายต่อการประพฤติต่อการกระทําในทางที่เป็นบาปบางครั้งบางคราวก็อาจจะอาศัยการเกิดมาในสกูลป่งที่อยู่ในกรอบของศิลธรรมจัญา มีการฝึกปรือมีการอบรมกันมาในทางที่ถูกที่ควรสร้างอัตยาสายัยนิสัยของบุคคลผู้นั้นให้มีความประณีตมีความสะอาดและเกิดความละอายต่อปะหเรืยอจะเกิดขึ้นโดยวิชาความรู้ที่ได้ศึกษาสังเกมาในทางที่จะพัฒนาจิตใจเพราะวิชาการบางอย่างที่เราศึกษามานั้นจะเพิ่มความไม่ละอายให้เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล ศึกษาวิธีฆ่าวิธีบิดเบือนวิธีทำลายล่างบุคคลอื่นซึ่งเป็นการผิด ท, งทงางศีลทางธรรมแต่ว่าการศึกษาบางอย่างนั้นเป็นการเสริมสร้างมโนธรรมสำนึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลรู้อะไรเป็นบาปรังเกียจขยะขแขยงบาปเหมือนคนที่อาบน้ําชำระร่างกายบริสุทธิ์สะอาดแล้วก็ไม่ต้องการที่จะแปดเปื้อน กับสิ่งโสโครกหรือคนตรมต่างๆจิตใจของบุคคลที่มีฤิธิเป็นฐานใจก็มีลักษณะเช่นนั้นแต่บางครั้งบางคราวอาจจะอาศัยไหวเป็นการบางครั้งบางคราวเท่านั้นเองไม่ได้หมายความว่าเมื่อายุเพิ่มขึ้นคุณธรรมจะเพิ่มขึ้นในขณะที่อายุเพิ่มขึ้นนั้นสิ่งที่แฝงเร้นมากับอายุ โดยบุคคลไม่ค่อยคิดว่าเป็นพิษเป็นภัยในชีวิตมากนั่นคือมานะว่าเรามีอายุมากเกิดทิฏฐิคือความถือรันในความเห็นของตนใครถกเถียงอะไรไม่ได้ใครให้เหตุผลไม่ได้จะมีอาการเคารพตนเองเจอชูตนเองจนถึงก็หลงตัวเอง กลายเป็นคนประเภทที่เรียกว่าอัตตาที่ปไตยฉันต้องหนึ่งเพียงคนเดียวนี่คือกิเลสที่แฝงเร้นมากักวัอยอายุไม่มากความรู้สึกว่าฉันอาบน้าร้อนมาก่อนหรือฉันเป็นผู้ใหญ่กว่าหรือมีอายุมากกว่าก็จะไม่เกิดขึ้นแต่พออายุเพิ่มขึ้นพวกนี้ก็ติดตามมากิ ต, ตา ม, มาโดยบางครั้งบางคราวเราก็ไม่รู้สึกว่าถ้าแกแรงเกินไป ขาสํานึกที่ประกอบด้วยือโอตปะกว่าจะกลายเป็นมรณนะคือความกดดั่งหรือความดุมินที่บางครั้งบางคราวแสดงออกเต็นาการเห็นชัดว่านั้นคือกิเลสเห็นว่าเด็กเมื่อวันซ้นจะรู้อะไรข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าไทรงแสดงแก่พระเจ้าประสิฐธิที่กุส ถึงสิ่งที่บุคล ค, บบคลไม่ควรดูหมิน่นบัณฑิตบุคคลไม่ควรดูหมิ่นว่ายังทรงพระยบภิกษุบุคคลไม่ควรดูหมิ่นว่าเป็นหนุม่มกองไฟไม่ควรดูหมิ่นว่าน้อยอสรพิษไม่ควรดูหมิ่นว่าตัวเล็กเพราะอะไรเพราะภิกษุหนุ่มนั้นอาจจะเป็นพระรยาบุคคลหรืออาจจะแตกฉานในหลักธรรมก็ได้ ส่วนปราชาหรืราช ก, กูมานั้นแน่นอนได้เกิดท่านจะเล็กท่านจะใหญ่ก็คือปราชาส่วนไฟอัลสรพิษนั้นจะเล็กจะใหญ่ก็คือไยก็คืออัสรพิษการเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นทําให้เรามัดระวังให้ดีอาจจะเป็นภัยอันตรายได้พระเจ้าจึงสอนในลักษณะไม่ให้ดูหมิ่นแต่ตากรรมมานะมันเกิดติดตามมาจากความมีไว สูงขึ้นแต่บุคคลขาดการพินิจพิจารณามัมานนก็จะเพิ่มพูนขึ้นกลายเป็นการเคารพตัวเองซึ่งก็เป็นความดีถ้าอยู่ในคันลองที่ถูกต้องแต่ว่าเชิดชูตัวเองเชิดชูตัวเองนั้นถ้าควบคุมทิศทางของการเชิดชู ก, ก็ดีในแง่ของโลกๆกแต่ถ้าหากว่าคคุมทิศทางไม่ได้ ก็จะกลายเป็นเชิดชูตัวเองแล้วเอาไปข่มคนอื่นที่ท่านเรียกว่าอติมานะคือดูหมิ่นท่านเป็นลักษณะของมา น, นะคือความกระด้างยกตนเข้าไปชเชีย บ, บเขาแล้วไปดูถูกดูหมิ่นบุคคลอื่นเอาอะไรมาดูหมิ่นไม่ได้ก็เอาวัยเข้ามาดูหมิน่นวัยชายน้อยมากกว่าแก่มีประสบการณ์พบเห็นมามากกว่าถึงว่าที่จริงแล้วก็ไม่แน่เสมอไปว่าใครจะพบเห็นมากกว่า กิเลสประเภทเหล่านี้อาจจะล่อล้อมตัวออกไปเป็นความกระด้างความหลงตัวเองแล้วก็กลายเป็นความกระด้างโดยชิชชิกลายเป็นคนถือรั้นถูกบ้างผิดบ้างก็ไม่แน่บางครั้งก็ถูกก็ดีไปบางครั้งไม่ถูกก็อาจจะสร้างภัยพิบัติให้เกิดขึ้นได้ดังนั้นไวยจึงเป็นตัวแปรประการหนึ่งที่จะก่อให้เกิดผลเป็นมโนธรรมสำนึกก็ได้ แต่กอให้เกิดเป็นรูปของกิเลสนานับประการก็ได้ซึ่งกิเลสในลักษณะนี้จะไม่ค่อยเกิดแก่คนซึ่งวัยอายุอย่างน้อยเพราะไม่มีอะไรที่ทจะไปอาหังกาหรือเกิดอหังการขึ้นมาในลักษณะนั้นแต่สำหรับบุคคลบางคนที่ขาดความสํานึกที่ชอบที่กวนถึงตรงนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นโดยบางคราบข่าวก็ไม่รู้ว่านั้นคือภัยอันตรายที่จะดึงเอาสิ่ง ไม่เหมาะไม่ควรทั้งหลายมาเพิ่มพูนขึ้นในชีวิตของตนและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือจิตใจของบุคคลจะต้องมีความกล้าหาญไม่ปรหวาดกลัวตัวสิ่งที่มายั่วยุหรือจะยั่วยวนหรือจะอะไรก็ตามให้หลงทิศทางให้ละเมิดความดีงามให้ละเมิดกฎเกณฑ์ศีลธรรมจรนยาทั้งหลาย อาธรรมะคือฮิรินั้นเป็นธรรมะระดับสูงมากจนถึงก็เทวดาตนหนึ่งมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าในโลกนี้มีไหมคนประเภทที่เรียกว่าสามารถกีดกันบาปอากุศลไว้ได้ด้วยฮิริพระพุทธเจ้ารับสั่งตอบเป็นใจความว่ามีเหมือนกัน แต่จะมีได้ก็ต่อเมื่อบุคคลผู้นั้นได้กระทําศีลสมาธิปัญญาของตนให้ถึงจุดสมบูรณ์คืออย่างน้อยก็สมบูรณ์ในระดับพระโสดาบันขึ้นไปที่ท่านเรียกว่าศีลพอประมาณศีล ส, สมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณแต่ถ้าในระดับปุถุชนแล้วจะพบว่าการทรงตัวของหิรินั้นทรงอยู่ได้ยาก บางครั้งในด้านของความคิดก็อาจจะเพี้ยนเพียนออกไปแม้อยู่ต่อหน้าคนอื่นหรือแม้อยู่รับหลังคนอื่นต่อหน้าคนอื่นนั้นอาจจะควบคุมอาการทางกายทางวาจาไม่ได้ด้วยหิเรหรือด้วยศีลแต่รับหลังคนอื่นนั้นอาการทางกายทางวาจาอาจจะคุมไว้ไม่ได้แต่บางคนก็คุม หนึ่งนั้นเป็นคุมใจคือความคิดพอใจที่คิดนั้นได้เห็นว่าเป็นมโนทุจริตถ้าคิดไปนในทางผิดตึงปริมาณของฮีริจะต้องเป็นเครื่องคุ้มครองใจมากกว่าสมควรอย่างในการฆ่าสัตว์ก็มีหลักที่เรียกว่าวัถวัตกะเจตนาหรือเจตนาในการที่จะฆ่าเป็นมโนทุจริตในแง่ที่เป็นพยาบาทปีตก คือความตรึกนึกด้วยอำนาจพยาบาทหรือความตรึกนึกด้วยอำนาจของความเบียดเบีย น, ยนอา จ, จะเป็นวิหิงสาหรือพยาบาทก็ได้หรือว่าเทยาเจตนาที่เกิดขึ้นในองค์ศีลข้อที่สองเจตนาในการรักมีโลภะเกิดขึ้นรุ่มรุมใจจนถึงก็อยากจะลักทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่นในแง่ของกายวาจาและในแง่ของศีลไม่มีปัญหาอะไร แต่ว่าในแง่ของธรรมะแล้วก็เป็นมนุษย์ทุจริตเพราะนั่นคืออภิชาความเพ่งเล็งโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นนั่นคือโลภะความละโมบนั่นคือราคะความกำหนัดยินดีในสิ่งของของบุคคลอื่นทาริมีกำลังพอ ก, ก็จะกีดกันสกัดกั้นเอาไว้ได้ทราบเหล่านี้จึงมีลักษณะที่จะต้องเพิ่มพูนขึ้นไปเรื่อย และยุ่งสูงมากเท่าไหร่ความเป็นอริยะของธรรมะก็จะเด่นขึ้นและความเป็นอริยะของบุคคลก็จะเด่นขึ้นเพราะความเป็นอริยะในความหมายทางพระพุทธศาสนานั้นเกิดขึ้นโดยผลของความมีธรรมะที่เสริมสร้างความสะอาดความส ง, งบความนิดในด้านจิตใจของบุคคลให้เพิ่มขึ้นโดยลําดับนั่นเองดังนั้น เมื่อใครก็ตามสามารถสร้างทรัพย์โดยนิยะดดังกล่าวมาและที่จะกล่าวในกลัดต่อไปให้บังเกิดขึ้นก็ชื่อว่าสัมผัสความเป็นพระอริยโดยธรรมด้วยชีวิตร่างกายที่มีอยู่เป็นอยู่นั่นเองต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบส่ขต่อไป